เอาน่ายาซีเรียตเรื่องยาวิเศษในขบวนรถด่วนพิเศษสายใตย้มีชายสองคนกำลังนั่งตรงกันข้าม ชายคนหนึ่งกำลังเคี้ยวเมล็ดอะไรบางอย่างอยู่นั่นเมล็ดอะไรชายอีกคนหนึ่งถามขึ้นเมล็ดแอปเปิลวิเศษเขาตอบวิเศษยังไงล่ะก็กินแล้วทำให้ฉลาดขึ้นจริงหรอจะโกหกไปทำไมเม็ดละยี่สิบบาทงั้นผมซื้อร้อยบาทเลย หลังจากกินเข้าไปได้สักสองถึงสามเม็ดก็คิดได้นี่คุณเงินร้อยบาทมันซื้อแอปเปิ้ลได้หลายกิโลเชียวนะนั่นไงเห็นไหมพอคุณกินเข้าไปมันจะทำให้คุณฉลาดขึ้นเลยเรื่องนี้ให้ข้อคิดว่าก่อนที่จะทำอะไรลงไปคนรไตรตรองให้ดีเสียก่อนแล้วจะได้ไม่เสียใจ เพราะโดนคนอื่นหลอกในภายหลัง